วิา่าท่านจะตอบไปอย่างไรในคติโยคีนิทักทวนฤศีพูดอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยควรคะจะเป็นผู้ที่ละแล้วตัดแล้วแต่กลับบอกว่าขศาธเนี่ยทาอย่างนี้ไม่มมทิ้งต้องจับไว้ให้มั่นพระราชาก็เลยบอกว่าดูก่อนโยคีที่ท่านกล่าวมานาะะันไร้สาระอในกรณีนี้ขา้าพเจ้ามีความเห็นว่าโชคชะตาเท่านั้นเดียที่กําหนดให้เหตุการณ์เกิดขึ้นถึงแม้ว่าบุคคลจะสามารถยึดราชนาจักไว้อย่างมั่นคงในมือ และก็มีเมืองขึ้นที่จะต้องปกครองอีกมากมายครับแล้วก็แม้ว่าเขาจะมีพลังกาลังและมีความกล้าหาญยิ่งมีระบุรุษแค่ไหนก็ตามก็ถึงกับความพินาศทั้งนั้นเมื่อชะตากรรมเข้ามาเยือนดังนั้นจึงมีคําท่านกล่าวว่าถึงแม้องค์อมรินจะมีพระรหัสสวัสดีเป็นที่ปรึกษามีวัชระเกื้อสายว้าเป็นอาวุธมีถวยเทพเป็นขุนศึกมีสวรรค์เป็นป้อมประการถ้าวัชิระปาณียังต้องอาศัยพระวิษณุเป็นที่พึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีพญาไารัมณะเป็นชืช้างส่งของพระอินทร์นะคะก็คือเอราวันนั่นแหละค่ะครับเป็นพระคชจารตัวประเสริฐมีฤทธิ์มีอำนาจก็ยังแพ้กับอสูรเลยนะครับถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่าโชคชะตานั้ น, นเป็นความหวังเพียงอย่างเดียวของเราเออเราจะพูดไปไปทําไมมีคนเราวน่ยฝืนโชคชะตาได้ที่ไหนละ่ะท่านกล่าวว่าถึงจะมีรูปงามก็ไร้ประโยชน์ถึงจะสืบเชื้สายจากผู้ดี หรือมีจริยวัดอันเดือหรือมีวิชามหาศาลมีการวงสวงถวายถวยเทพเป็นนิดอุตสาหะอันยิ่งใหญ่แต่ผลบุญที่คนเราสะสมจากการบําเพ็ญตะบะแม้จะเป็นคาละเล็กคาละน้อยน่าจะดีซะกว่าต่อให้ดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่สร้างบุญต่อเนะี่ยบุญนั่นก็หมดสู้มาสร้างบุญไปเรื่อยๆดีกว่ามันก็จะเกิดผลจะน้องตามกาลเวลาไม่หมดไม่สิ้นเหมือนกับรึกษาที่ให้ผลไปเรื่อยตามฤดูกาล คือพูดง่ายท่านบอกว่าจะหน้าตาดีวิชาการเยอะมาจากสกุลดีก็ไม่เท่ากับที่ตนเองจะต้องค่อยๆเพิ่มสังคมเท่านี้เรยใช่ไหม<ๆ><ๆ>ใช่ค่ะคยิ่งกว่านั้นยังมีคำกล่าวของพยาอสูนฮิรันยะกสิปุกอันนี้เป็นนามของพยาอสูนที่ถูกพนรลายอวตารในปางที่สนะคะที่มีนามวนอรสิงห์นะคะพยาอสูนก็บอกว่าอกของข้านี่แหละ ที่เคยประท่า ก, กับงาช้างไอราวนะของพระอินทร์คือไอราวน์ว น, นี่เป็นภาษาบาลีไอราวณะนี่คือภาษ า, ส, าสันสกฤตเนี่ยงาของของ้างสองข้างของมันในยับเยินในการสู้รบและแม่แต่ขวานเพชรขององค์พระปินากปานีก็คือผู้ถือต ะ, ตะบองหรือมีเป็นฉายาของพระอิศวรเนี่ยนะค ะ, คะก็มีล่องรอยที่มันบินไปเมื่อประท่า ก, กับข้าแต่ข้าดูสิกับพิมพ์คล้าำกับนารสิงค์นันคือนารายณ์อวตารเนี่ย ทำเอากรงเล็บฉีกนะคือทําให้อกของข้าเนี่ยฉีกออกชะตากรรมก็ยังไม่ให้ผลแม่ใบหญ้าก็ยังถือเป็นอาวุธได้ครับ<ะ>นะถ้าหากว่าชะตากรรมนั้นยังไม่ได้ผลคือหมายความว่าถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยใบหญ้าก็ยังถือเป็นอาวุธได้ดังนั้นต้นใสใหญ่และผู้ทั้งหน้าที่สิงสถิตอยู่ย่อมเป็นทั้งผู้ให้และถึงแม้กันนั้นในทํานองเดียวกันก็เป็นผู้เอาไปด้วยความหมายของมันก็คื อ, อคือถ้าหากว่าชะตายังไม่ถึง คาดเนี่ยทำยังไงก็ไม่ตาย แ, แต่แต่ถ้าถึงคาดเนี่ยไม้จิ้มฟันแทงเหงือกก็ยังตายนะความหมายก็คืออย่างนั้นแล้วสรุปแล้วที่พูดมาทั้งหมดนี่นะคะเอาเถอดท่านก็คือกัลยาณมิตรที่แนะนําเราอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอมันยงังข้ามนั่นแหละเรามาทอดสกากันเถิดนะคะทีนี้ก็พระราชาระหวังทอดสกาเนี่ฮะก็เล่าเรื่องนิทานในนิทานทูริวันเล่าเรื่องอยู่กี่ฟังประกอบไปได้ว่าครับ ในระหว่างที่ทอดส ก, กาก็คุยไปนะว่าที่เหนือของชมพูทะวีป เ, เป็นที่ตั้งของลครอันสวยงามชื่อนั้นที่วัฒ น, นะมีพระราชา ญ, ญาติเสกราชเสขระเสกนีาาา่แปลว่าพระจันทร์นะฮะเป็นภาษ า, าสันสกฤตเป็นผู้ปกครองพระองค์เป็นกษัตริย์ที่อุทิศพระองค์เพื่อพระผู้เป็นเจ้าและอุปถัมภ์เลี้ยงดูพราหมณ์อย่างดียิ่งใจบุญเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอลดอดาษฎรต่อมาญาติคิดกระบฏยึดราชน า, าจักไว้ในพระราชอำนาจ แล้วก็ในประเทศพระราชาพร้อมมเหสีและพระโอรสออกไปจากราชอาณาเขตทั้งหมดก็เลยต้องมุ่งสู่ดินแดนทางเหนือมาถึงวัดนาอุทยานนอกพระนครตอนนั้นเป็นเวลาที่พระทิศย์กำลังตกนะคะก็ไปนั่งใต้ต้นไทรที่แผ่หิ่งก้านสาขาวไปโดยรอบบนต้นไทรก็มีนกห้าตัวทำหลังนกก็สนทนากันไอ้นกตัวหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยพระราชาในเมืองนี้เพิ่งจะสิ้นพระชนม์พระงคไม่มีทั้งโอรสธิดาใครจะมาเป็นพระราชาต่อไปละ่ะ นกอีกตัวก็บอกว่าดีเนี่ยพระราชาองหนึ่งในปฐพีใต้ต้นไทรเนี่ยนะเราเอาสมบัติเนี่ยให้พระราชาองค์นี้ดีกว่านกก็ตกลงพระราชาก็ได้ยินถ้อยคําของนกนะก็มานั่งคิดตลอดคืนจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าตอนนั้นชาวเมืองทั้งหลายก็ตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจประจำวันพระราชาก็เหมือนกันก็ทําการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าตามกิจวัตรแล้วก็สวดบูชาพระอาทิตย์นะหรือพระสุริยะ ะะว่าขอนอบน้อมต่อองค์สุริยเทพผู้ทรงภาวะอันยาวเป็นนิดผู้เป็นดวงตาของโลกผู้ย่างกรีดปทุมให้เบ่งบานผู้ประทานโภ้ทระซย์ผู้ทําลายความมืดและผู้ประทานพรแก่คนทั้งหลายที่เป็นคุณสมบัติของดาวอาทิตย์นเนี่ยและขณะเมื่อพระองค์กำลังทรงบุ่งหน้าไปยังพระนครก็ปรากฏว่ามีพญากุญชรีกุญชรีก็คือพญาช้างกุชนชตกแต่งด้วยผ้ามาลาอลังการถูกเห ล, าล่าราชสมาตมัเนี่ย ปล่อยออกมาเพื่อสิงถ่ายเลือกพระราชาอันนี้เขาเรียกว่าอินทราพิเศษนะคะคสิงบุญสิงว่ฒนาสนาที่เรียกว่าราชรถมาเกย์อนะคะ่ะนางพระขชาทานเดินเยื้องย่างออกมานอกพระนครเดินมายาแบบช้างนะคะคและเห็นพระราชาอยู่ขา้ขางนั้นก็ตรงไปหาเอางวงจับพวงมาลาขึ้นวางบนพระเศียรตวัดร่างพระราชาขึ้นนั่งบนหลังของตนพาไปยังพระราชวางังอามาตย์ก็เลยประชุมกันยกขึ้นเป็นกษัตริย์ มีทศสีถนนใช้อยู่คงเอาน้ำอ้อยราดตัวเองไว้นะครั้งหนึ่งมีอริตราชสตรูชุมนุมกันเข้ามาโจมตีพนากรครับเพื่อกำจัดพระเจ้าราชเสกระคือปกากษัตริย์องค์เดิมนะฮะอุปการกษัตริย์องค์นี้ละค่ะราชเสกระที่เกิขึ้นเนี้ยอ่าตอนนั้นพระราชากำลังเล่นสกาอยู่กับพระมเหสีพระนางขุนพระราชานั่ ง, น, งนิ่งอยู่ก็บอกว่าอ้าวท่านพี่นั่งนิ่งอยู่ทําไมเนี่ยข้าศึกประชิดเมืองและวรุ่งเช้าก็คงจะมาถึงที่นี่แหละหยุดทั้งพนาครแล้วก็ตัวเราจะโม่เฉย อยู่อย่างไรก็รีบทำอะไรก็รีบทําพระราชาก็บอกว่าเออทําไมต้องเดือดร้อนด้วยละ่ะถ้าโชคยังเข้าข้างตัวเราทุกอย่างก็ดีไปเองแหละถ้าโชคร้ามันก็คงจบสิ้นอยู่เท่านี้แหละเจ้าไม่เคยรู้เลยหรือว่าโชคชะตานะั่นะ่ะเป็นสาเหตุสําคัญที่สุดของความสําเร็จหรือความล้มเหลวหงูนอนขดอยู่ในหีบใบเล็กร่างของมันเป็นเน็บชาไปหมดเพราะความหิวนอนแศร้าอยู่อย่างสิ้นหวังตกดึกมีหนูตัวหนึ่งมาแทะหีบเป็นรูแล้วเข้าไปในหีบเลยตกเข้าไปในปากงู นะงูกินหนูเสร็จก็มีเรี่ยวมีแรงเลยออกไปชีวิตรอดไปได้นี่ก็เป็นเรื่องของโชคชะตาอโชคชะตาเนี่ยเป็นปัจจัยของความสําเร็จและก็ความพินาศด้วยในเวลาเดียวกันผู้ที่ไร้ที่พึ่งจะยืนขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยถ้าโชคช่วยทํานองเดียวกันผู้ที่แม็กมีกําลังค้มกันตัวเองได้พิเศษเพียงไหนก็ต้องยอ่ยอยอ่ยอยยับลงทาง่าขาดโชคชะตาที่จะคอยช่วยเหลือคนที่สิ้นหวงังแม้ถูกพาไปปลดปล่อยในป่าลึกก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ ในขณะที่คนนึงแม้อาจถูกคุ้มกันอย่างดีก็อาจจะนอนตายในบ้านของตัวเองก็ได้นั่นคือโชคชะตาเออใครก็ตามที่มอบอนาจักรให้แก่ข้าในยามที่ข้ากำลังดินอยู่ใต้ต้นไม้ครับก็ต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของข้าครั้งนี้เช่นเดียวกันแม่ท่านพูดถึงนี้นะฮะเชื่อมั่นในเรื่องของโชคชะตาซะอย่างยิ่งนะครับค่ะแต่เราก็คงจะต้องมาติดตามฟังกันนะครับว่าสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ข้าเสร็จก็เข้ามาประชิตแล้วนะครับ เรื่องของวิกรมจริตเนี่ยมักจะมีนิทานที่แทรกไว้เป็นระยะเป็นระยะแล้วก็มีข้อคิดที่ฝากไว้ในแต่ะเรื่องด้วย